พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสองวรรคที่สี่ชื่อมหายามกะวัรคคือวรรคที่มีสูตรคู่ขนาดใหญ่มีสิบสูตรพระสูตรที่สาสิบเอ็ดจุลโคสิงคสาลสูตรสูตรว่าด้วยป่าไม้สาละชื่อโคสิงคะสูตรเล็กพระผู้มีพระภาคประทับนาที่พักแรมทำด้วยอิฐในนาธิกคามสเสด็จไปเยี่ยมพระอนุรุต พระนันทิยะพระกิมพิละนัป่าโคสิงคขาสารวันแต่ผู้เฝ้าป่าไม่รู้จักจึงไม่อนุญาตให้เสด็จเข้าไปพระอนุรุธพูดกับผู้เฝ้าป่าแนะให้รู้จักว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแล้วชวนพระนันทิยะและพระกิมพิละมาเฝ้ารับบาทจีวรปุอาสนะถวายตรัสถามถึงความอยู่เป็นผาสุข ก็กราบทูลว่าต่างอยู่กันอย่างตั้งเมตตาทางกายวาจาใจต่อกันพยายามไม่ทําอะไรตามใจตนแต่รู้จักทําตามใจผู้อื่นแม้จะมีกายต่างกันแต่มีจิตเสมือนเป็นอันเดียวกันตรัสถามถึงการอยู่อย่างไม่ประมาทมีความเพียรก็กราบทูลถึงพฤติการที่ได้อยู่กันอย่างไม่ประมาทมีความเพียร ตรัสถามถึงการบรรลุคุณพิเศษก็กราบทูลถึงคุณพิเศษที่ได้เริ่มต้นแต่รูปฌานสี่จนถึงอรูปฌานสี่และคุณพิเศษที่สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกข้อหนึ่งคือสัญญาเวทะยิตานิโรธสมาบัติที่ดับสัญญาและเวทนาพระผู้มีพระภาคทรงสนทนาด้วยธรรมมิกถากับพระเทระเหล่านั้นพอสมควร แล้วก็เสด็จหลีกไปต่อจากนั้นก็มีเสียงสะดุดีจากยักษ์ชื่อธีฆะปราชนะถึงพระเทระทั้งสามรูปนั้นเมื่อไปเฝ้ากราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าเป็นลาบของชาววัชชีคือเมืองนาทิกคามอยู่ในแคว้นวัชชีที่พระผู้มีพระภาคเสด็จมาประทับอยู่พร้อมด้วยพระอนุรุตพระนันทิยะและพระกิมพิละและเสียงสะดุดีนั้น ก็กล่าวต่อกันไปถึงพรหมโลก